พวกเรานี่มีร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจของพวกเรานี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะจิตใจของพวกเรานี้มันทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันบุญกับบาปเลยทำให้เราไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าเราร่างกายจะเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ใจของเรานี่อยู่ที่บุญที่บาปเราทํากันถ้าเราทําบาปด้วยความหลงก็ใจเราก็จะเป็นเดรัจฉานเป็นในขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไปทําบาปเช่นทําบาปด้วยความหลงหมายความว่าไงไม่รู้ว่าบาปเช่นคนที่เขามีอาชีพอฆ่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเอ เขาไม่รู้ว่าผิดเขาถือว่าไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมพอไม่ผิดกฎหมายเขาก็ถือว่าไม่ผิดไม่บาปเขาไม่รู้คำว่าบาปว่ามีผลต่อจิตใจเขาอย่างไรพอเขาทําบาปด้วยความไม่รู้รทําด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาป เ, เขาใจเขาก็เป็นเดรัจฉานเดรัจฉามันก็ไม่รู้ใช่ไหมหมาเวลามันจะคาบ ของของคนอื่นไปนี่มันรู้เปล่าว่าบาปมันไม่รู้่มันรู้ว่ากูอยากได้ใช่ไหอกูอยากได้มีใครวางของไว้มันก็ฆ่าไปใช่ไหมมันก็รักทรัพยนะ์ละหรือถ้ามันหิวมันก็อาจจะไปกินสัตว์เล็กแสบน้อยเนี่ยคนที่ทำอาชีพหรือคนที่ฆ่าสัตว์คนที่ทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเนี่ย ใจก็อยู่ในระดับของเดรัจฉานเป็นพวกเดรัฉานถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเหมือนเดรัจฉานเป็นเหมือนหมาเป็นเหมือนแมวเป็นเหมือนเสือเสิงกระทิงแรดเนี่ยนี่เรียกว่าใจปิใจไม่ได้เป็นมนุษย์ละถ้าอยากจะให้ใจเป็นมนุษย์นีมนุษย์นี้เป็นผู้รู้บากรู้บุญคือมนุษย์นี้เป็นผู้ที่ไม่ทาบา ถ้าไม่ทำบาปห้าข้อได้ก็ใจก็ยังเป็นมนุษย์ยอยู่เพราะตอนที่มาเกิดนั้นใจตอนนั้นเป็นเป็นกลางคือบุญอาจจะมีอยู่บาปอาจจะมีอยู่แต่พอดีมันมีกำลังเท่ากันมันก็เลยไม่สามารถทำให้ไปเป็นเดรชานหรือทำให้ไปเป็นเทวดาได้ก็เลยมาเป็นมนุษย์กัน ตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ตอนที่คลอดมาจากท้องแม่เนี่ยใจเราตอนนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเริ่มทำอะไรไม่เหมือนกันละเดี๋ยวไปขโมยของเขามากินละเดี๋ยวไปธรรม ะ, ะไปโกหกพ่อโกหกแม่และอันนี้ใจก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปละ นี่คือเรื่องของใจที่เปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่เราทํากันไว้มันมันเป็นไปทันทีแต่มันเป็นไปกลับไปกลับมาช่วงที่มีชีวิตอยู่เพราะเราวันนี้ทําบุญเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําบาปะสลับกันไปสลับกันมาวันนี้เป็นเทวดาพรุ่งนี้ไปเป็นเดฉ า, านมาบวชถือเสียงห์แปะก็ไปเป็นพรหมไปนั่งสมาธิเป็นพรหมอยู่สามวันห้าวัน เดี๋ยวกลับไปเป็นเทวดาต่ออันนี้ก็ใจก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วบุญกับบาปที่เราทำไว้นี่มันยังไม่ได้เป็นไปแสดงผลเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยมันจะมาแสดงผลอีกทีตอนที่เราตายไปแล้วบุญกับบาปมันจะมาแย่งใจเราไปถ้าบุญมากกว่าบาป ใจก็จะเป็นเทวดาพอไม่มีร่างกายใจก็เป็นเทวดาถ้าบาปมันมากกว่าบุญพอไม่มีร่างกายใจก็ไปเป็นเดาชานน์หรือไปเป็นเปรตหรือไปนรกบาปนี้มีที่ไปอยู่สีท่ที่ไปเป็นเดฉ า, าน์ทาบาปเพราะหลงไม่รู้ว่าบาปมีมีผล ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นผีทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดก็ไปนรกเพราะมันร้อนนรกนี้เป็นที่ร้อนที่ทำให้ใจร้อนเกิดจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นสังเกตเวลาเรากโกรธเกลียดใครนี่นอนหลับไนะ กินไม่ได้นอนไม่หลับใจร้อนตอนนั้นกําลังเป็นนรกชั่วคราวอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเยอะๆโกรธเกลียดบ่อยๆเยอะๆมันก็จะสะสมเหมือนกับสะสมน้ํามันฟืนพอเวลาตายไปไอตัวนี้มันก็จะลุกขึ้นมาทันทีใจก็จะเป็นนรกขึ้นมาทันทีนรกสวรรค์เทวดาเปผีนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นใครก็ใจของเรานี่แหละเป็นผู้จะไปเป็น เป็นไปตามบุญตามบาปที่เราทำไว้ในแต่ละวันนี้บาปเราทำไว้มันก็สะสมไว้บุญเราทำไว้มันก็สะสมไว้มันส่งผลชั่วคราวตอนที่เราทำอันนั้นเป็นเหมือนหนังตัวอย่างให้เราดูว่านี่นะทำบุญแล้วใจเป็นอย่างนี้นะเวลาทำบุญแล้วใจเย็นัหมสุขไหมสบายไหมอิ่มไหมเวลาทำบาปแล้วใจเป็นยังไงร้อนไหมวุ่นวายไหมกังวลหรือเปล่าอันนี้มันเป็น มันสลับไปสลับมาตามบุญตามบาปที่เราทำในแต่ละวันเพราะเราตอนมีชีวิตอยู่นี่เรามีมีโอกาสที่จะทำได้ทั้งสองอย่างทำบุญได้ทำบาปก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ส่วนใหญ่เราจะทำบุญตามบาปไปตามอารมณ์ตามเหตุการณ์บางทีเหตุการณ์มันบังคับให้ทำบาปเช่นเงินไม่พอใช้นะต้องขโมยเขาหน่อยแล้ววะต้องโกหกเขาหน่อยละ ขอยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้มันเน่ยวะอันนี้ก็หรือไปชอบเมียของคนอื่นก็ชอบผัวของคนอื่นเขา้าเดี๋ยวก็แอบไปหลับนอนกับผัวเมียของคนอื่นก็อันนี้ก็บางทีเหตุการณ์มันพาไปยิ่งพระเจ้าถึงมาสอนให้พวกเราว่าเราต้องอย่าให้เหตุการณ์บังคับใจเราเราต้องใช้ปัญญาใช้สติบังคับใจเรา ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะคอยควบคุมใจเราได้คอยสั่งให้มันอย่าไปทำบาปพอจะทำบาปก็หยุดมันถ้ามีสติก็พุโทโธพุโทโธไปพอจะไปขโมยเงินของคนอื่นก็พุโทโธไปพอจะไปยืมเงินงคนอื่นก็พุโทโธไปรู้ว่ายืมแล้วก็ไม่มีวันที่จะใช้เขานี้ก็อย่าไปยืมก็ใช้สติปัญญาก็รู้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นบาป ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะหักห้ามใจไม่ให้ทำบาปได้เราก็บังคับใจให้ทำบุญได้วันนี้มาทำบุญกันใครสั่งให้มาก็สติปัญญาเนี่ยสติปัญญาเบาให้ไปทำบุญนะบุญดีนะตายไปได้ไปสวรรค์ไม่ต้องไปเป็นเปรตก็เลยสติก็บังคับใจสั่งให้ใจมามาที่นี่ ถ้าไม่มีปัญญาวันนี้อาจจะไปไปเข้าบ่อนก็ได้ไปเข้าบ่อนไปนั่งเล่นไพ่อยู่ที่ไหนก็ได้หรือไปนั่งกินเหล้ากับใครก็ได้หรืออาจจะไปนัดกับใครไปลักรับไปขโมยของที่ไหนก็ได้อันนี้เราต้องมีตัวคอยควบคุมบังคับใจปัญญามาจากที่ไหนปัญญาก็มาจากพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรามา ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรพอเรารู้แล้วว่าบาปไม่ดีเราก็พยายามอย่าไปทำํำเดินมาถือศีลห้ากันถือศีลแปดกันถ้าเราถือศีลก็แสดงว่าเราห้ามห้ามห้ามไม่ให้ทำบาปห้ามไม่ให้ฆ่าไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีไม่ให้พูดปดไม่ให้เดินชั่วรายามเมาพอเรา คิดจะทำปับมันก็จะมีอะไรมาเตือนใจว่าเอ้ยวันนี้ถือศีลนะเว้ยออฆ่าไม่ได้นะโกหกไม่ได้อพอจะโกหกก็พอกเขาถามว่าไปไหนพอจะพูดว่าเปล่าก็อย่าพูดเดี๋ยอก็เปล่าได้ไงก็กำลงจะไปอยู่นี่อก็เฉยๆอย่าพูดอย่าตอบอถ้าไม่พูดไม่ตอบก็ไม่ถือว่าผิดศีลการเขาถามว่าเอาเงินทัานไปหรือเปล่า ก็เฉยๆถ้าไม่พูดเงี้เอาไปก็ไม่พูดก็ไม่โกหกแต่ก็ยังบาปอยู่เพราะไปขโมยเงินเขาถ้าอยากจะชดใช้บาปก็เอาเงินไปคืนเขาเอาเงินไปคืนเขาบาปนั้นก็หมดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องมาสอนใจมาควบคุมบังคับใจไม่งั้นมันจะไปตามอารมณ์ เห็นของอยากได้ไม่มีเงินก็ขโมยเลยเห็นเห็นแฟนของคนอื่นชอบก็ไปแย่งแฟนของคนอื่นอย่างนี้ก็จะทํำบาปแล้วไม่มีความรู้ไปทําอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ก็เลยต้องไปเลือกวิอาชีพฆ่าสัตว์นไปจับปลามาขายไปอะไรไปจับนกมาขายยิงนกตกปลาทํานองนี้ อันนี้เราต้องรู้จักบุญรู้จักบาปเรียกว่ามีปัญญาเมื่อรู้ว่าบุญเป็นสิ่งที่ดีบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เลือกทำแต่บุญไม่ทำบาปบุญนี้ถ้าเราไม่สามารถทำได้ก็ไม่ต้องทำแต่บาปนี้เราต้องไม่ทำโดยเด็ดขาดเพราะว่าบาปนี้ถ้าทำแล้วมันจะเกิดโทษ บุญถ้าไม่ได้ทํามันไม่เกิดโทษเพียงแต่มันไม่เกิดคุณเท่านั้นเองถ้าเราไม่ทําบุญไม่ทําบาปเราก็ยังเป็นมนุษย์ต่อไปใจเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าเราไม่ทําบาปแล้วเราทําบุญด้วยใจก็ไปเป็นเทวดาแต่ถ้าทําบุญด้วยทําบาปด้วยมันก็ยังต้องไปเป็นเดรัจฉานอยู่ะ แต่อาจจะเป็นเดรัจฉานที่สวยงามน่ารักมีคนเอาไปเลี้ยงดู<ม>ไปเป็นหมาสวยๆ<ม>เป็นแมวสวยๆ<ม>คนเห็นแล้วก็เอาไปเลี้ยงเป็นลูกเนี<ม>่นี่เป็นเพราะว่าทําบุญแต่แต่ไม่รักษาศีล<ม>ทําบุญแต่ยังชอบโกหกยังชอบขโมยข้าวของเหมือนเหกับหมาไงแต่เป็นหมาหมาสวยพอใจใจงามยังชอบทําบุญอยู่ ก็เลยถ้าทําบุญด้วยทําบาปด้วยก็ยังต้องไปเป็นเดรัจฉานอยู่พวกที่สัตว์เดรัจฉานที่รูปร่างสวยๆเนี่ยเป็นพวกที่ทําทั้งบุญทําทั้งบาปแต่พวกที่บุญไม่ทําทําแต่บาปอย่างเดียวก็เป็นพวกหมาขี้เลื้อนเนี่ยปกี่มาสายวัดอยู่เป็นหมาขี้เลื้อนคนระับอยู่ที่ไหนก็มีใครก็อยากจะเก็บเอาไว้เพราะมันไม่น่ามันไม่น่าดูไม่สวยงาม นี่คือเรื่องของจิตใจของเราที่เกิดจากการทำบุญทำบาปของเราเป็นไงเสียงเข้าไปแล้วยังเลยมีคนส่งข้อความมาบอกนะดังหรือยังเอาเสียงเสียงแตตัวนี้ครับ <YouTube, S 2> ใช่ไหม YouTube, ไเราต้องมีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ต้องเข้าหาคนที่มีปัญญา ก็หาพระพุทธเจ้าเนี่ยหาพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเหล่านี้รู้ว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงวิธีทําบุญนี้มีอะไรบ้างเนี่ยใส่บาตรถวายข้าวของสิ่งของปล่อยนกปล่อยปลาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไทยตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนช่วยเหลือกันอันนี้เรียกว่าบุญแล้วก็บุญมีหลายชนิด นอกจากทาทานแล้วก็ยังอุทิศบุญได้เนี่ยเรามีบุญแล้วก็ส่งบุญไปให้คนตายได้เรียวกว่าอุทิศบุญวันนี้พอทำบุญแล้วเดี๋ยวเราก็กรวดน้าไปมีน้าก็กรวดไม่มีน้าก็ไม่ต้องกรวดให้ระลึกภายในใจว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ตายไปแล้วถ้าเผื่อกำลังรอรับบุญส่วนนี้อยู่ก็ขอให้มารับไป อันนี้ก็เรียกทำบุญให้กับคนตายความดีหรือบุญอย่างอย่างก็คือรับใช้ผู้อืน่นช่วยเหลือผู้อืน่นเช่นมารับใช้ที่วัดเนี่เห็นพวกนี้มาถ่ายทอดสดนี่พวกนี้ก็เรียกว่าทําบุญทําบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อืนอ่นรับใช้พระสงฆ์องค์เจ้ารับใช้พระาศาสนาช่วยเผยแผ่พระาศาสนาอไม่ได้อ่า แล้วถ้าฝากกระเป๋าด้วยจ่ายค่าน้ำมันรถจ่ายค่าอะไรเอง mm hmm. ก็เป็นทาน mm hmm. แต่ถ้า mm hmm. มาเวลาจะจ่ายค่าน้ำมันรถก็มาเบิกกับวัดอย่างนี้ <c oughs> ก็อย่างนี้ก็ไม่ได้ทาน <c oughs> ถ้าถ้าเครื่องเสียแล้วมาเบิกกับวัดให้ไปซ่อมเครื่องอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเครื่องเสียแล้วก็ไปซ่อมซ่อมเอง แต่นี่ทีมงานเขาก็มีญาติโยมที่คอยบริจาคเงินมาให้เนี่ยเขา้าเข้าของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนี่ก็ญาติโยมที่ติดตามถ่ายทอดสดรู้ว่าจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ติดต่อกับผู้ที่เขาจัดการเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าต้องการอะไรพอเขาบอกเขาก็โอนเงินมาให้อันนี้พวกนี้ก็ได้ทาน แต่พวกที่มาใช้ใช้แรงใช้เวลาทาโดยที่ไม่ได้ฝากกระเป๋าเียก็ได้แต่บุญเอกแบบค็ละอย่างกันแต่พวกที่เขาไม่มีเวลามามาทำงานมารับใช้เขามีเงินเขาก็ใช้เงินแทนอันนี้ก็เป็นการทาบุญในลักษณะที่ไม่เหมือนกันอันนี้สองก็ต่างกันคือพวกที่ใช้เงินทาบุญชาติน้าก็มีเงินใช้พวกที่รับใช้ เป็นการทำบุญรับใช้ผู้อื่นเป็นการทำบุญชาติหน้าก็จะมีคนมารับใช้เราทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นทำเงินก็จะได้เงินทำทำแรงงานก็จะได้แรงงานกลับมาให้แรงงานเราก็จะได้แรงงานกลับมารับใช้ผู้อื่นต่อไปก็จะมีผู้อื่นมารับใช้เราก็เป็นบุญทำให้ใจเรามีความสุขการเสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นนี่เรียกว่า บ, บุญ ทำแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจทําให้เราเป็นเทวดาชั้นต่างๆกันเทวดานี้มีมีหลายสิบชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญแต่ละชนิดที่เราทําแลวทํามากทําน้อยบางคนชอบรับใช้บางคนไปรับใช้สังคมพวกที่ไปทางานกับร่วมกตัญญูมูลนิธิอะไรต่างๆอาสาสมัคร ตรงนี้เขาไม่มีเงินมีทองมากแต่เขามีเวลาก็ามีแรงงานเขาก็เลยไปทําบุญแบบนี้เช่นไปล้างป่าช้า เ, เวลามีงานมีการก็ไปรับหน้าที่อาสาไปช่วยเป็นจราจรคอยจัดจัดการเรื่องจราจรให้รถหาที่จอดรถจะให้วิ่งไปทางไหนมาไหนตรงนี้เป็นพวกอาสาสำหรับ ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบุญเหมือนกันทำความดีแล้วบุญอีกอย่างที่ที่เราควรจะทำก็คือให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเอย่าอวดเก่งอย่อวดดีอวดรู้อวดฉลาดทำโง่ไว้ดีกว่าไม่มีใครก็หมั่นไส้ถ้าอวดเก่งอวดดีแล้วคนจะนำคาญคนก็จะเอหมั่นไส้เเออ เราจะไม่มีความสุขเพราะจะไม่มีใครชอบเราแต่ถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถามตนทำเป็นโงน่นี่ใครๆคก็ชอบใครก็พูดอะไรก็ฟังไปไม่ต้องไปค้านไปอะไรเดี๋ยวไปพอไปค้านเขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็ไม่อยากจะพูดละ <c oughs> นี่ก็เป็นคนมีสัมมาคารวะคือรู้จักที่สูงที่ต่ำเป็น ก็อยู่กับใครก็ไม่มีใครเขาลังเกียจถ้าไปทําอวดแบ่งอวดโตโอวดใหญ่เนี่ยก็ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ด้วยแล้วบุญอีกอย่างก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอันนี้ก็ได้ปัญญามาฟังเทศฟังธรรมจะได้ความรู้จะได้รู้ว่าบุญนี่มีอะไรบ้างบาปมีอะไรบ้างแล้วบุญอีกอย่างก็คือบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม อันนี้ก็ช่นมาถือศีลแปดมานั่งสมาธิอันนี้ก็จะได้บุญแต่และอย่างไม่เหมือนกันนี่คือบุญที่เราควรที่จะมาทำกันบุญเปรียบเป็นเหมือนอาหารส่วนบาปนี้เปรียบเหมือนเป็นยาพิษเหตุนราอยากกินยาพิษกันเลยกินยาพิษแล้วมันมันทรมานมันจะตายเอากินอาหารดีกว่ากินอาหารแล้วอิ่มแล้วก็สุข พระพุทธเจ้าต้องมาสอนให้พวกเราทาบุญละบาปแล้วก็มาชำระกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยถ้าเราไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องไม่ทำลายกิเลสชำระกิเลสให้หมดเพราะกิเลสเป็นตัวดึงให้เรามาเกิดกันพอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันไม่มีใครหนีพ้น ถ้าเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดจะไม่มาเกิดได้ก็ต้องตัดกิเลสตัดความโลภตัดความอยากต่างๆอยากเที่ยวอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากมีแฟนอยากร่ำอยากรวยอยากอะไรร้อยแปดประการที่เรากำลังอยากอยู่นี้ต้องตัดหมดเรามาถือศีลแปดกันแล้วก็เริ่มมาบวชพระกัน ก็จะตัดความโลภความอยากต่างๆ ต, ตัดกิเลสตัณหาได้ตัดได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมามีร่างกายที่เราจะต้องมาเลี้ยงดูไม่มีร่างกายที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาพลาดพลาดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นการปฏิบัติที่สูงสุดเป็นการ บทเพิ่มจิตให้หนุดออกจากการวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดวงจรอุบาทเพราะเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วมันต้องกลับมาเกิดใหม่ ก, กลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกมันไม่หยุดจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดกิเลสตัณหาหยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆจะหยุดได้ก็ต้องบวชแล้วก็หยุดจิตหยุดความคิดแล้วก็สอนจิต เวลาเกิดความอยากเกิดความโลภ ก, ก็อยากไปทําตามมันต้องฝืนมันต้องปฏิวัตินต้องต่อสู้ต่อต้านความอยากความโลภต่างๆเช่นอยากอยากกาแฟก็อยากไปดื่มมันถ้าไม่ดื่มมันสักพักเดี๋ยวความอยากกาแฟหายไปไม่เชื่อลองทําดูถ้าไม่หายมาเหยียบหน้าเอาได้อยากมีแฟนก็อยากไปมีมัน เดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่อยากจะมีเองอยากเที่ยวก็อยากไปเที่ยวผลินมันไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายเองอยากซื้อกระเป๋ารองเท้าซื้ออะไรก็อย่าไปซื้อมันเดี๋ยวมันก็หายไปคนที่เขาไม่ซื้อทำไมเขาไม่เห็นเดือดร้อนยังไงคนที่ก็ไม่มีความอยากซื้อก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรดีกว่ามีมีแล้วก็วุ่นวาย มีแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วต้องมากังวลแล้วเดี๋ยวเกิดมันหายไปก็เสียใจแล้วก็ไม่พอต้องไปหามาอีกถ้าหยุดซื้อได้หยุดอยากได้แล้วสบายอยู่เฉยๆร่างกายก็ไม่ต้องใช้มันมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาเลยมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายที่เราเดือดร้อนเพราะเรายัางต้องใช้ร่างกา ย, ยเหมือนกับถ้าเรามีคนรับใช้นี่ยเวลาคนรับใช้ไม่สบายนี่เราเดือดร้อนเไหมมันเคยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเรามันบอกวันนี้ไม่ไหวแล้วจะไม่สบายแล้วใครทํำล่ะก็เราก็ต้องทําเี่ยร่างกายเราก็เป็นเหมือนคนใช้เคนรับใช้เราว่าพอวันไหนมันไม่สบายเราก็เราก็วุ่นวายละ ตายแล้วจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้แล้วออจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยมันก็แต่งไม่ได้แล้วอนอนอยู่บนเตียงไอเอ้ยน้ำมูกไหลเอ้ยไข้ขึ้นเอ้ยอันนี้แหละแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปเพราะเราไม่ได้ใช้มันพาเราไปเที่ยวเราไม่ได้ใช้มันแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรามีความรู้สึก สบายสวยมีความสุขเนี่ยพเรามีความสุขจากการไม่มีกิเลสมีความสุขจากการทำใจให้สงบจากการนั่งสมาธินี่คือเรื่องต่างๆที่เราไม่รู้กันน่าจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่ก็จริงแต่พระธรรมนี้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าถ้าได้พบกับพระธรรมก็ถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกพระธรรมคําสอนของเรานี้จะเป็นาศาสดาแทนเราต่อไปจะเป็นาศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปรศาศจากศาสดาถ้ามีพระธรรมคําสอนอย่าถ้ามีพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกก็ดี ในหนังสือของพระอริยสงสารวกด็ดีอันนี้ถือว่าเป็นพระธรรมคำสอนเหมือนกันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีคนสอนคนบอกว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือกิเลสอะไรคือตัณหาแล้วทำไมต้องตัดกิเลสทำไมต้องตัดตัณหาทำไมต้องไม่ทำบาปทำไมต้องทำบุญอันนี้มันจะ สอนเราบอกเราให้รู้เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นประโยชน์เราก็ทํานั้นเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นโทษเราก็เลิกทํามันเช่นดื่มสุราเป็นโทษก็เลิกนึ่งเล่นการพนันเป็นโทษก็อย่าไปเล่นทําบุญเป็นประโยชน์ก็ไปทํากันเอแทนที่จะเอาเงินไปซื้อสุราก็เอาเงินมาทําบุญกันแทนแล้วจิตใจเราจะเปลี่ยนไปเลย จากจิตใจที่วุ่นวายจิตใจที่มีความทุกข์กลายเป็นจิตใจที่สงบจิตใจที่มีความสุขอันนี้คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้สัง่งผู้สอนถ้าไม่มีเราก็จะไปทำตามความไม่รู้ของเราความไม่รู้ของเรามันก็จะหลอกให้เราไปดื่มสุราเห็นไ้ตอนที่ดื่มสุรานี่ถูกหลอกทั้งตัว ว่าเดื่มูราแล้วมีความสุขกันดืนชูราแล้วก็ติดดื่มมากก็จะเป็นโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็สติสตานก็ไม่ดีทํางานทําการก็อาจจะทําไม่ได้ถ้าดื่มมากๆเสียงานเสียการเวลาดื่มเมาก็ไปมีเรื่องมีราวไปทำํำลายสิ่งของทําร้ายคนนั่นคนนี้ ขับรถก็อาจจะไปชนคนตายแล้วก็ต้องไปถูกตํำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยการกระทําของเราเนี่ยมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษให้เลือกทําการการทําที่เป็นคุณเนี่ยทําบุญเนี่ยมันเป็นคุณเอาเงินไปให้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาก็จะได้รับประโยชน์เขาก็จะได้เอาไปซื้อข้าวซื้อ อาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อของที่เขาขาดแกลนแล้วก็เราก็มีความสุขจากการที่เราเห็นคนอื่นเขามีความสุขจากการกระทําของเราแล้วคนที่เขาได้รับความสุขจากเราเขาก็จะได้ไปไม่ไปทําทําโทษกับผู้อื่นเพราะเขาไม่ต้องไปลักขโมยเพราะว่ามีคนมาช่วยเขาแล้ว อันนี้ก็เป็นการกระทําความดีที่จะเกิดประโยชน์ทั้งตัวเราเองและผู้อื่นถ้าทําบาปก็เกิดโทษทั้งกับตัวเราและเกิดโทษกับผู้อื่นเราไปขโมยเงินผู้อื่นมาผู้อื่นเขาก็เดือดร้อนแล้วเงินเราขโมยมาแล้วใจเราก็ไม่สบายถ้าตำรวจจาได้ก็ต้องไปติดคุกติดตาราง อยงนั้นอย่าทำโทษทำคุณทำบุญอย่าทำบาปแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขตายไปก็จะได้ไปเกิดที่ดีก็เรียกว่าไปสู่สุคติเวลาคนตายเรามักจะพูดว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะไปสู่สุคตินะแต่มันไม่ได้ไปเพราะคำพูดของเราหรอกมันไปเพราะการกระทำของเขาถ้าเขา ทำบุญไม่ทำบาปเขาไปสู่สุคติแน่ๆแต่ถ้าเขาทำบาปไม่ทำบุญเนี่ยเขาไปทุกขติแน่ๆไปอบายแน่ๆต่อให้มาเอาพระมาสวดให้ไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไปไม่ได้เพราะพระไม่สามารถสวดส่งให้ศพให้ดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ได้ผู้ที่จะส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สวรรค์ก็คือการทำบุญการไม่ทำบาป แล้วถ้าต้องการให้ดวงวิญญาณไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปก็ต้องไปปฏิบัติต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ตัดความโลภตัดตัณความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจาศาสนาพุทธจึงสอนให้เราปฏิบัติเป็นาศาสนาเป็นาศาสนาธรรมไม่ใช่าศาสนาขอ แต่ชาวพุทธเราไม่เข้าใจกับมาทําศาสนาทำให้กลายเป็นศาสนาขอขอแหลกเลยก่อนจะใส่บาตนี่ขอนู่นขอนี่นั่งจกอยู่นั่นนะ่ะเออคนไหนอยากจะสวยก็ขอให้สวยคนไหนอยากจะรวยก็ขอให้รวยคนไหนอยากจะให้แฟนดีก็ขอให้แฟนดีแฟนอยู่ไปนานๆคนอยากได้อะไรก็ขอมันแหลกเลยกลย่อนจะใส่บาต มใ่มันไม่มันมันไม่ได้จากการขอการใส่บาตรนี้ได้แต่อา น, นิสงส์จากการใส่บาตรก็คือได้บุญไปบุญตายไปได้ไปสวรรค์หรือถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ไปเกิดเป็นเดรัจฉ า, านก็ได้เป็นม้าสวยๆแมวสวยๆปลาสวยๆใครเขาเห็นใครก็รักเขาชอบเขาก็อยากจะไปเลี้ยง มันไปด้วยกรรมไปด้วยการกระทําของเราไปด้วยบุญด้วยบาปศาสนาพุทธจึงสอนให้ทําไม่ได้สอนให้ขออะไรอย่างนสอนให้ทําบุญเวลาใส่บาตนี้ไม่ต้องไปนั่งจบขอนู่นขอนี่ละมันได้แล้วเหมือนกับเราไปตีตัว๋วไปตีตั๋วชั้นหนึ่งมันก็ได้มันก็ได้นั่งชั้นหนึ่งไปตีตั๋วชั้นสองมันก็ได้นั่งชั้นสองแล้วแต่เราจะตีตั๋วชั้นไหนทําบุญหาบาทก็ชั้น ชัน้นชั้นชั้นไหนก็ไม่รู้ทำบุญสิบบาทก็มันก็ได้สูงกว่าชั้นชั้นห้าบาทเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรื่องของบุญอยู่ที่นี่ถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆก็ต้องทำเยอะๆไม่ใช่ขอเยอะๆแต่ทำน้อยๆบางคนสายบาตแล้วขอให้ขอให้ได้นิพพานอะยงนี้ก็ไม่ได้ ทำบุญนี้ไม่ได้นิพพานทำบุญได้อย่างมากก็ได้ไ ด, ได้ได้มีท ร, พรัพย์รอเราอยู่พบหน้าชาติหน้าแล้วถ้าตายไปก็ได้ถ้าไปเกิดถ้ายังไม่ได้ถ้าไม่ได้รักษาศีลก็ไปเป็นหมาที่สวยก็แล้วกันถ้ารักษาศีลก็ไปเป็นเทพเป็นเทวดากลับมาเกิดก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่สวยงามมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มันได้แค่นี้ใส่บาทไม่ได้ไปมากกว่านั้นถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ต้องรักษาศีลดูลรักษาศีลด้วยทาบุญด้วยทีนี้ก็จะไปเป็นเทวดาได้กลับมาก็รวยแล้วสวยด้วยทั้งรวยทั้งสวยเป็นมนุษย์ที่รวยที่สวยถ้าอยากจะไปสูงกว่าชั้นเทวดาก็ต้องไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมไปเป็นพรหม แ้วถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับมาก็ต้องอจเจริญปัญญาต้องศึกษาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอริยสัจสีเป็นยังไงถ้ารู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอริยสัจสีเป็นยังไงก็จะหยุดความโลภความอยากได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนี่มันเป็นอริย ส, สัจสีมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่เราไม่รู้กันเรากลับไปคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตากันนิจจังแปลว่าอะไรถาวรสุขขังแปลว่าสุขอัตตาแปลว่าเป็นของเราพอเห็นอะไรนี้พอได้อะไรมานี้คิดว่ามันต้องสุขมันต้องเป็นของเรามันต้องอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงมันตรงกันข้ามกันมันเป็นอนิจจังได้มาเดี๋ยวมันก็จากเราไปพอมันจากเราไปมันก็กลายเป็นทุกขขังไปเป็นทุกข์ไป เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากอยากให้เป็นของเราตลอดพอมันไม่เป็นก็เสียใจทุกข์กันถ้าอยากจะมีปัญญาก็ต้องรู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอริยสัจสี่เป็นยังไงถ้ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อริยสัจสี่ก็จะรู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยาก ความอยากอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากให้มันเป็นของเราไปตลอดนี้เป็นไปไม่ได้อยากให้มันเหมือนเดิมเป็นให้ความสุขกับเราไปอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าเอามาแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์เอามาทำไมก็เลยตัดความอยากได้สิ่งต่างๆไปหมดอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าสบายกว่า พออยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีอะไรก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาวัดมาทาบุญแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะานํเอาไปปฏิบัติต่อไปนี้นอกจากทาบุญแล้วก็ต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลห้าไปก่อนต่อไปก็รักษาศีลแป รักษาศิ่งตแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันไปสวดมนต์กันพุทโธพุทโธกันเพื่อสร้างสติขึ้นมาพอมีสติเวลานั่งใจก็จะสงบเป็นสมาธิแล้วพอเป็นสมาธิแล้วก็จะมีความสุขในตัวเองพอรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะได้ไม่เอาเลิกเอาอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าก็เรียกว่าได้หยุดความอยากต่าง พออยากได้กาแฟก็ไม่เอาอยากได้แฟนก็ไม่เอาอยากไปเที่ยวก็ไม่เอาไปแล้วมันทุกข์ไปทำไมได้แฟมาแล้วทุกข์เอามาทำไมเอากาแฟมาก็ทุกข์เดี๋ยวกาแฟหมดก็ทุกข์แล้วเวลาไม่มีกาแฟดื่มมันทุกข์รู้ไม่ทุกข์คนที่ไม่อยากกาแฟเวลาไม่มีกาแฟดื่มทุกข์รู้ไมมทุกข์ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอริยสัจ ส, สี่ ถ้าเห็นแล้วก็จะไม่มีความอยากความโลภอีกต่อไปเมื่อไม่ไม่โลภไม่อยากก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือหน้าที่ของพวกเราต้องทํากันทำจากง่ายไปหามะหายากทําบุญทําทา น, นง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีลห้าก็ง่ายกว่ารักษาศีลแปดรักษาศีลแปดก็ง่ายกว่าการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ นั่งสมาธิก็ง่ายกว่าการพิจารณาปัญญาศึกษาให้เห็นว่าอริยสัจสี่คืออะไรอั น, นิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรแล้วก็นำอาไปหยุดความอยากได้เนี่ยอันนี้มันยากอาจจะรู้ว่า น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอริยสัจสี่เป็นยังไงแต่พอเจอความอยากลืมหมดเลยเพอเจอความอยากปั๊บความับอย่างเดียวลยเจอ กระเป๋าก็คว้าเลยเจอกาแฟาก็คว้าเลยรู้แบบรู้แบบความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดต้องฝึกสติเยอะๆต้องพุโทโธบ่อยๆต่อไปเวลาเห็นอะไรพอจะคว้าปั๊บก็จะได้ตัดมือมันตัดแขนไปเลยต่อไปก็ตัดได้ต่อไปก็ตัดความอยากได้ไม่ได้จะจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดได้ยังไง จะมีพระอาหาันมาเกิดได้อย่างไรเพราะพวกนี้เขาก็ <_ S 1> เขาก็ทําอย่างนี้แหละเขาก็ใช้สติใช้ปัญญาตัดความอยากกันตอนนี้สติเราปัญญาเรายังน้อยมันเลยสู้กิเลส ต, ตัณหาไม่ได้ทั้งนี่ตอนน่ตอไปเราฝึกสติให้มีมากขึ้นเจริญปัญญาให้มีมากขึ้นต่อไปเราก็จะตัดกิเลสได้ตัดความโลภตัดความอยากต่างๆได้ พอตัดได้เราก็สบายอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องมีอะไรท่านอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามมีตามเกิดที่ไหนพอหลบแดดหลบฝนได้ท่านก็อยู่ได้ละท่านไม่เดือดร้อนห้องน้ำห้องท่าท่านก็ใช้แบบพวกเก้งพวกกวางเนี่ย เองวางมันก็ไม่ต้องมีห้องน้ําเลยมันอยากจะฉี่อยากจะถ่ายเมื่อไหร่มันก็หาที่ฉี่ที่ถ่ายเอากลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ไปในตัวมันต้องเสียเวลามาสร้างห้องน้ําสร้างอะไรกันพระที่ไปทุ่งดอกเขาไปสร้างห้องน้ํำบนที่ไหนหรือเปล่าพระที่ไปนั่งสมาธิไปบรรลุปเป็นพระอรหันต์นี่เขามีห้องน้ำหรือเปล่าเขาไม่มีหรอกเขาก็อยู่แบบเสือเสือสิงกะทิงแรกเนี่ย ปวดี่ทีไหนก็ฉีมันตรงนั้นน่ะง่ายดีสบายดีนี่แหละอยู่แบบผู้ที่ไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบสบายไม่วุ่นวายนะขอให้เรามาศึกษาแล้วพยายามปฏิบัติกันเถิดทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้ทุกคนมีสิทธิทท์ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับคนที่ไปเรียนหนังสือมีสิทธิ์ที่จะไปจบป ร, ริญญาได้ทั้งนั้นะ ขอให้เรียนไปเถิดขยันเรียนไปเรื่อยทางโลกยังต้องเรียนต้องสิบหกปีกวจะได้ปริญญาตีทางทางของพระพุทธเจ้าบอกอย่างมากก็แค่เจ็ดปีเค่น้มาปฏิบัติกันเถิดมาถือศีลมาบวชกันแค่เจ็ดปีเดี๋ยวก็ได้ดนิพานตัดการเวียนว่ายตายเกิดที่เราจะไม่สามารถตัดได้ด้วยโดยลำพังของเราเองเราต้องรอมีพระพุทธศาสนามาสอนให้เราตัด ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้จักวิธีตัดการเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่จะสอนวิธีตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้กับเราก็คือสอนให้เราไปบวชกันสอนเรารักษาศีลกันนั่งสมาธิกันแล้วก็ศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาศึกษาอริ ย, ยสัจสี่กันถ้าเราศึกษาแล้วเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตา เ้าใจอริยสัจสี่เราก็จะตัดความโลภตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโอกาสอย่างนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งโอกาสที่จะได้มาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่าไปผัดวันประคนพุ่งว่าขอให้ขอให้ไปเจอกันชาติหน้าต่อชาติหน้านี้มันไม่รู้จะเจอหรือเปล่าชาตินี้อาจจะเป็นชาติสุดท้าย ที่เราจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกในระยะอันยาวนานก็ได้ถ้าเปรียบก็เหมือนกับรถไฟเที่ยวสุดท้ายนะถ้าไม่ขึ้นก็ต้องเดินไปนะไม่งั้นก็ต้องรอวันพรุ่งนี้อวันพรุ่งนี้ของเราศาสนาพุทธอันใหม่ของเรานี้อาจจะเป็นอีกหลายแสนล้านชาติก็ได้กว่าจะได้มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เราอีกครั้งหนึ่งรีบทำเสียรีบรีบศึกษารีบปฏิบัติตาม แล้วจะได้ไม่เสียชาติเกิดจะได้กำไรได้พานิพาน์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่นานๆานจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งเอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครัง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 มาเตผวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลบงหมดแรงพอดีภาล่ัง เหนื่อยพูดแล้วเหนื่อยจิตใจของพวกเราเป็นจิตใจอันเดียวกับของพระพุทธเจ้าของพระสาวกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นเปตเป็นผีเป็นเดราจฉานมาเหมือนกับเราเคยเป็นมนุษย์เคยเป็นเทวดาเคยไปนรกมาเหมือนกับเราจนตอนหลังมามาพบบุญพบบาป พ, พบปัญญาก็เลย เปลี่ยนทิศทางการไปไปไ ป, ไปนิพพานแทนจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดสามารถไปนิพพานได้ทุกกันหมดสามารถไปนรกได้เหมือนกันสามารถไปสวรรค์ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะ เ, าเลือกเดินไปทางไหนเหมือนรถยนต์เนี่ยจะไปสั ต, ติเหตก็ได้ไปพัทยาก็ได้ ไปกรุงเทพไปได้แล้วแต่เราจะเลือกทางไปเราขับไปทางไหนมันก็จะพาเราไปทางนั้นแต่เราไปได้ทุกแห่งไปในไปพบเรื่อไปในนิพพานเนี่ยไปได้หมดขอให้เราตั้งสมัยนี้เขาใช้ให้ใช้จีพออ่ะตั้งแล้วขับตามมันไปดูแผนดูมันบอกให้สอนเลี้ยวซ้ายตรงไหนเลี้ยวขวาตรงไหนก็ตามมันไป แต่ต้องตั้งจีเพให้ถูกนะเราตั้งผิดนั่นก็ไปผิดที่นะตั้งเชียงใหม่แต่ตั้งใจจะไปกรุงเทพแต่ตั้งไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวขับไปไม่ถึงกรุงเทพ mm hmm. อันนี้ก็เป็นการกจิตใจเราถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทําบุญตั้งตั้งไว้ที่ทําบุญแล้วก็รักษาศีลนะเดี๋ยวมันก็ไปแล้ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจทําบุญไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงสวรรค์แน่นะ ถ้าอยากจะไปเป็นเดรัชานก็ตั้งใจทาบาปนะตั้งใจรักขโมยตั้งใจประพฤติผิดประเวณีเดี๋ยวก็ได้ไปเป็นเดรัชานนะมันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่กากรกระทมของเราเหมือนกันหมดใจเหมือนกันหมดมันจะไปตามจุดหมายปลายทางที่เราสั่งให้มันไปงั้นเราอย่ามาอ้างว่าโอ้ยเราไป นิพพานไม่ได้เร า, เราไม่เราไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนที่ไปนิพพานก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่ไปจะไปนิพพานก็เป็นเหมือนพวกเราอยู่ตอนนี้ก่อนก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องออกเดินทางก่อนตอนที่ออกเดินทางก็เหมือนพวกเราตอนนี้พวกเรากำลังจะออกเดินทางกันแต่ท่านเดินไปแล้วท่านตั้งเป้าว่าจะไปนิพพานท่านก็ไปถึงนิพพาน เราก็ตั้งเป้าเหมือนพระพุทธเจ้าตั่งว่าจะไปนี้ผ่านเราก็ไปแล้วเราก็เดินไปตามทามงเันีดียก็เหรียญเสกของนีงมันทำไมกินเหล้ายังต้องกินหัดกินได้เลยวะมีใครกินเหล้าเป็นบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยออกมาแม่สอนให้กินเหล้าอ่ะแล้วทำไมไปหัดกินกันได้รู้จักค็อกเทลแบบนั้นค็อกเทลแบบนี้แหวรู้หมด ไม่ยากหรอกเพราะมันชอบไม่ชอบตอนนี้ทำไม่ชอบมันก็ยากถ้ามันไม่ชอบนี่ซื้อก็เป๋ามันยากกว่านั่งสมาธิกระเป๋ากับลองไปหาเงินจะไปกระเป๋าจะไปซื้อกระเป๋าก็ต้องไปหาร้านซื้อต้องไีหาเงินมาซื้อต้องเดินทางไปซื้อนั่งสมาธินั่งเฉยๆนี่มันยากตรงไหนอะของง่ายกลับไปทําให้มันยากของยากกลับไปทําให้มันง่าย ัาง่ยครบกับตาลปัดกันอติดกันที่สมาธิทั้งนั้นเลยไอ้พวกปัญญาในฟังเหมือว่าชาจารยอกเาฟังกันทุกวันแต่สมาธิทําก็ไม่ได้มันจะยากไงถ้าถ้าหัดทําไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ง่ายเองพิมพ์ดีดพิมพ์ใหม่ๆง่ายไหอหัดพิมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ง่ายขับรถขับใหม่ๆมันง่ายไหมไปแล้วขับรถใหม่ๆขับได้ไหม แล้วทาไมตอนนี้ขับได้เพราะหัดมันใช่ไหมทำนานอ่หัดมันไปเรื่ยขับไปเรื่อยเมืนเดี๋ยวมันก็ง่ายอยานั่งสมาธิไปรยพุโทโธไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ง่า ย, ยา ไ, ไม่ยอมพุโทโธอะไรขี้เกียจชอบคิดแต่เรื่องกระเป๋ารองเท้ามันก็เลยไม่เคยคิดถึงพุโทโธเลยพุโทโธไปเรืเอ่ อ, อยอ่านั่นแหละเนี่ยอย่าไปโทษใครโทษ ตัวเราเองเลแล้วก็เป็นโทษความยากเราไม่ทำมันก็ยากเลยลองทำไปเรื่อยๆแล้วมันง่ายของมันอันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟสทางเฟสบุ๊คเข้ามาสี่้อยสสิบปดค่ะแล้วทางยูอ่ะทาง You t u ห e สิบเก้าค่ะกเก้าอืก็ประมาณห้าร้อยรวมกันมีต่างชาติเข้ามาไหมภาษาอังกฤษวันนี้ไม่มีเลยมีภาษาไทย เเ่าเลยคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเมื่อมีคนมาชอบพอแต่ดิฉันไม่ชอบรู้สึกบูดหยีดาคาญใจในใจนึกรังเกียจบางทีก็คิดว่าเขาไม่เจียมตัวมักมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นจนกังวลว่าจะมีการติดตัวไหมที่บางทีก็เหมือนไปทําร้ายจิตใจเขาเหมือนเราไม่มีเมตตาแต่เป็นความรู้สึกจริงๆที่มักเกิดขึ้น อันนี้คือมีอัปปาในใจสูงหรือเปล่าคะจะวางใจแบบใดคะเอิดใจที่ไม่ได้ฝึกสมาธิก็ยังจะมีรักชังกลัวหลงอยู่เวลาเห็นอะไรบางทีก็รักบางทีก็ชังแต่ถ้าเราฝึกสติพุทธโธบ่อยๆความรักชังกลัวหลงนี้มันจะเบาลงมันจะเฉยๆได้เห็นใครเราก็จะไม่ชังเขาะ ก็ต้องฝึกสติกันบ่อยๆพูดโทรกันบ่อยๆแล้วต่อไปความนักชังโกหลงมันจะเบาบางลงไปคำถามจากคุณมาศีค่ะวันนี้ไปโรตัสมาเห็นพระสีรูปเข้าไปฉันสุกี้เอ็มเคโดยมีกาลวาดพาไปมีแน่ชีด้วย <c oughs> อันนี้ก็คือคิดว่าปกติแต่เห็นหลวงพ่อเลือกเมนูด้วย คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมหลังสังเสร็จนานมากชั่วโมงกว่าพระท่านจะต้องให้พรใหม่เจ้าคะหลังจากนั้นเผ อ, อิญเจอท่านไปช็อปโทรศัพท์มือถือต่ออยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าสมควรหรือไม่ไม่ได้จับผิดชะนะเจ้าคะแต่รู้สึกแปลกๆค่ะเราไม่มีคาควิจารณ์เลยก่อก็ <laughs> <laughs> แล้วแต่โยมจะเมตตาก็แล้วกัน <laughs> คุณขเชาราค่ะน้ำต้มเห็ดหูหนูหูซาจีนและขิงสดนําถวายเป็นน้ําปานะได้ไหมคะถ้าชาวบ้านถือว่าเป็นยาก็ใช้ได้ถ้าต้องถือว่าเป็นยานะถ้าชาวบ้านใช้เป็นยารักษาโรค ก, ก็พาคก็ใช้ได้เป็นยาชั้นหลังเพนได้แตถ้าชาวบ้านก็ถือว่าเป็นอาหารก็ฉันไม่ได้ แล้วแต่ว่าถืออะไรเป็นยาหรไม่เป็นยาคำถามจากคุณมิกิค่ะถ้าแฟนให้เงินใช้แล้วเราเลิกกับเขาเงินที่เขาให้มาโดยที่เขาต้องการจะให้น้ำผิดศีลไหมคะใครผิดศีลอ่ะไม่มีใครถ้าเขาให้ด้วยความสเสน่หาก็ไม่ทำบุญไปเขาก็ทำบุญเขาก็ได้บุญเขาให้เรา มันที่กขให้เราเราก็เอาไปใช้ได้เราไม่ได้พไปขโมยเงินของเขามาถึงแม้จะเล่ากันแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นของเราแล้วอมันโยมมาทําบุญกับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้โยมกลับมาเปลี่ยนใจของเงินคืนนี้เราบอกไม่คืนแล้วเราใช้หมดแล้วออมันกพ็พอดีออกไปแล้วเกิด <c oughs> เกิดเสือเเส่อมศรัทธาไปเห็นพระไปเดินเถวโลตัสก <c> ็เ <oughs> ลยกูไม่เอาแล้วของเงินคืนดีกว่า นี่มันก็มันเป็นอดีตไปแล้วคนละเรื่องไปแล้วให้เวลาวก็ถึงว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วไปเอาคืนไม่ได้นอกจากทาสัญญากันไว้ก่อนถึงจะเอาคืนได้คำถามจ้าคุณปะพิมพค่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกแล้วกําลังจะเบาสบายตัวมักมักจัดตัวภาคบอกเจ้าของว่ากําลังจะสงบแล้ว เราต้องทำยังไงกับตัวภาคดีคะเพราะมันทำให้เราออกจากความสงบทันทีคะ่ะก็อย่าไปสนใจมันก็ดูลมต่อไปถ้ามันไม่สงบก็ดูลมใหม่แล้วก็พยายามอย่าไปภาคบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ไปดูลมไปอย่างเดียวต่อไปมันก็จะไม่ภาคเองตอนนี้มนันยังติดนิสัยชอบภาคชอบวิตกวิจาร์อยู่จึงเข้าไปสู่ฌานที่ลึกกว่าไม่ได้ ตอนที่ภาคนี้เราเรียกก็วิตกวิจารฌานที่หนึ่งเวลานั่งยังมีวิตกมีวิจารอยู่แล้วต่อไปนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยววิตตกวิจารก็หายไปเองอย่าไปสนใจมันดูลมต่อไปคำถามจากคุณชินค่ะโยมนั่งดูลมเข้าออกที่ปลายจมูกโยมรู้สึกว่าลมเข้าแค่เพียงที่ปลายจมูกแล้วก็ออกไม่เข้าไปถึงกายโยมนั่งดูลมแล้วรู้สึกแบบนี้โยมนั่งถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะ ถ้าม่ยอมขอความเมตตาพระอาจารย์สอนเจ้าค่ะอ๋อถูกแล้วล่ะไม่ต้องไปสนใจมันมันไม่เข้าไปไม่ได้หรอกแต่มันไม่เข้าไปในปอดมันจะอยู่ได้ไงมันเข้าไปเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้เพราะมันเข้าไปแล้วมันอยู่ลึกมันจะรับรู้ได้แค่ชี่ปลายฉมูกเวลามันเข้ามาสัมผัสเท่านั้นก็ให้อยู่ตรงปลายฉมูกนั้นจุดเดียวให้ดูตรงจุดนั้นจุดเดียวว่ามันเข้ามันออกก็พอแล้วอย่าไปภาคอย่าไปคุย อย่าไปคุยกับตัวเองอย่าไปวิาพากษ์วิจารลมให้ดูเฉยๆดูว่ามันเข้าดูว่ามันออกดูว่ามันหยาบดูว่ามันละเอียดดูว่ามันสั้นหรือดูว่ามันยาว ด, ดูตามความเป็นจริงของมันเท่นั้นเองแล้วเดี๋ยวลมมันก็จะพาจิตให้เข้าสู่ความสงบต่อไปครับถามจากคุณน้อยหน่าค่ะคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนวิธีนั่งสมาธิแต่เขาสามารถตั้งใจนั่งได้เอง จากความตั้งใจภายใต้จิตสำนึกอยากหลุดพ้นอยากพ้นทุกข์จนจิตรวมเป็นเอกคตาเป็นเพราะความตั้งใจในชาตินี้หรือเป็นเพราะมีบุญเก่าคะก็เป็นเพราะสตินะสติจะเป็นตัวที่ทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้มีครูบาอาจารย์สอนอยังไงถ้าไม่มีสติมันก็รวมไม่ได้มีแต่บอกว่ายากมีแต่บอกว่ายากอย่างเดียวมันก็ ไม่มีวันรวมได้มีกรูอาจารย์ฟังธรรมอาจารย์มาไม่รู้กี่กี่ร้อยครั้งแล้วแต่พอเวลาทำไม่ยอมทำบอกยากแต่คนที่ไม่มีกรูอาจารย์แต่มีความตั้งใจมีสติก็สามารถดึงใจให้เข้าสู่ควาสมสงบได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วต้องสู้กับเวทนาพุทโธเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วหนูนึกถึงคาสอนของพระอาจารย์ได้ไหมคะ ว่ามันไม่ใช่ตัวเราวันเป็นร่างกายเป็นคนรับใช้อย่าไปอยากให้มันหายอยู่กับมันให้ได้วางพุโทโธไว้ก่อนได้ไหมคะเพราะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะสู้กับเวทนาค่ะได้ได้เอาความจริงมาสอนใจก็ได้แยกใจออกจากร่างกายว่าใจเป็นคนดูร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกถูกดูร่างกายเป็นตัวที่กำลังเจ็บแต่ใจนี่ไม่ได้เจ็บ ร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปใจอย่าไปเจ็บแทนร่างกายอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายถ้าใจไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายใจจะไม่ทรมานแล้วใจก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้คําถามจากคุณโจ้ค่ะการที่ผมทําบุญแล้วไม่อธิษฐานจะมีผล อ, อะไรไหมครับมีก็ทําบุญมันก็ได้บุญเลยทําบุญก็เหมือนเร า, า, า, ารเอาเงินไปฝากธนาคารเวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราต้องอธิษฐานหรือเปล่า ว่าขอให้เงินอยู่ในธนาคาร<อ>ออก็เอาไปฝากแล้วมันก็อยู่ในธนาคารอยู่แล้วทําบุญมันก็ได้บุญอยู่แล้วจะไปอธิษฐานให้มันมากกว่านั้นก็ไม่ได้เช่นเขาให้ดอกร้อยละสองเราไปขอได้ขอร้อยละสิบมันก็ขอไม่ได้อยู่ดีก็ได้แค่ร้อยละสองยังทําบุญอธิษฐานมันไม่ต้องอธิษฐานหรอกอธิษฐานต้องอธิษฐานว่าขอให้ทําบ่อยๆทำเรื่อยๆขอให้พรุ่งนี้กลับมาทําอีกนี่ให้อธิษฐานแบบนี้ ทำบ่อยๆบุญมันจะได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่ทำหนเดียวแล้วก็อธิษฐานมันมากขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันไม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติหรอกคำถามจากคุณพิมพรค่ะเวลาหนูจะไปทําบุญที่วัดเช้าวันอาทิตย์และวันพัะค่ะหนูต้องใส่บาตรให้พระท่านก่อนค่ะที่หน้าหมู่บ้านจะมีพระมารับบาตรตามบ้านค่ะเป็นทางผ่านค่ะถ้าหนูเจอพระท่านหนูจะใส่ทุกครั้งค่ะ ถามค่ะหนูจะได้รับบุญสองต่อไหมคะหนูใส่บาบแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะได้ยิ่งทํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากเท่านั้นนงใส่สิบองค์ก็ได้สิบต่ออยู่ที่ปริมาณที่เราเสียสละเสียสละมากก็ได้บุญมากคํถาถามจากคุณใส่น้ําอิงค่ะกระผมได้นํามะพร้าจํานวนหนึ่งทลายไปถวายร่วมทําบุญกระถินสามาัคคีด้วยจิตศรัทธาเต็มเปี่ยม ทำเสร็จตกกลางคืนแล้วผมฝันว่าได้ขึ้นไปบนสวรรค์ไม่รู้ว่าชั้นไหนแต่มีพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่สีทองสว่างสวัยมากคนที่อยู่บนสวรรค์บอกว่ากระผมยังไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นมาให้กลับลงไปก่อนโดยให้กระผมกระโดดลงสระน้ำแล้วจะกลับโลกมนุษย์ได้อยากเรียนถามว่าสวรรค์เป็นเหมือนที่ผมฝันหรือไม่ถ้ากระผมปฏิบัติธรรมมีโอกาส หลุดพ้นได้ไหมครับได้นั่นแหละความฝันเราก็เป็นหนังตัวอย่างะถ้าเราฝันดีก็เหมือนกับเราได้ไปสวรรค์เวลาเราฝันร้ายก็เหมือนกับเราได้ไปนรกไปอบายคําถามจากคุณสิรินันค่ะเมื่อเราได้อโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่เคยทําบาปทาชั่วกับเราแล้วนั่นหมายความว่าคนคนนั้นจะไม่ต้องรับบาปกรรมและผลกรรมที่เขาทําไว้หรือคะ ไม่บาวกรรมที่เขาทําไว้ก็ยังต้องทำต่อียแต่เขาไม่จะไม่ได้รับโทษจากเราเราให้อภัยเขาเช่นเขามาชนรถเราแล้วก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่อมเองเขาก็ไม่ต้องเสียเงินมาซ่อมให้กับเราเพราะเราให้อภัยเขาแต่ถ้าผิดกฎหมายตำํำรวจก็ยังจะจับไปลงโทษได้เช่นเดื่มสวราแล้วขับรถเมาไปชนรถคนอื่นเสียหายเจ้าของรถเขาที่เสียหายก็ไม่เอาโทษแต่ตำํำรวจยังต้องเอาโทษเพราะผิดกฎหมาย ยิ่งสมัยนี้ถ้าอาจจะใช้มือถือคุยกันแล้วชนกันนี้แล้วใช้มือถือกําลังส่งข้อความอยู่แล้วขับรถชนเดี๋ยนี้เขาถือว่าผิ ด, ผดกฎหมายถึงแม้ว่าคนที่ถูกชนก็อาจจะไม่เอาโทษก็แต่ทางกฎหมายเขาก็ยังต้องเอาโทษอยู่บาปก็เหมือนกันถ้าเราไปทําบาปกับใครบาปนั้นก็ยังตกค้างอยู่เราแดังต้องใช้บาปนั้นอยู่ถึงแม้ว่าคนที่เขา ถูกเราทำเขาให้อภัยเขาไม่เอาโทษเราแล้วเรายังต้องไปใช้บาปอยู่แต่เราจะได้ไม่ต้องรับโทษจากคนที่เราไปทำร้ายถ้าเขาไม่ให้อภัยเดี๋ยวก็กมาทำร้ายเราคำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะอยากให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างอริยสัจสี่สักเรื่องครับเวลาแฟนตายไปเนี่ยร้องผมร้องไห้ปะ อ่าทุกข์ก็ปะ่ะทุกข์่ะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราอะอยากออยากให้เป็นนั้นอยากให้เป็นนิจจังเนี่ยแต่มันเป็นนิจจังใช่ไหม ค, ความตายนี่เป็นนิจจังแล้วป่ะในอริยสัจสี่ใช่ไหทุกข์เพราะความอยากถ้าอยากจะหายทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าเขาตายแล้วเขาไม่กลับมาแล้ว อ, อยากไปอยากให้เขากลับมามันก็จะหายทุกนิโรดนิโรดก็คือการหายทุกตอนต้นก็ ทุกเกิดจากเวลาแฟนตายแความอยากอยากให้แฟนไม่ตายก็เลยทําให้ทุกข์แต่พอพระพุทธเจ้าสอนมา ว, ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับพอเรายอมรับว่าเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องตายเขาต้องไปจากเราแล้วเขาไม่กลับมาแล้วถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะหยุดความอยากให้เขากลับมาเราก็จะหายทุกข์คนที่หายทุกข์เพราะว่าลืมเองบางทีอยู่ สามีแฟนหรือภรรยาตายไปสักใหม่ๆก็ทุกข์เพราะอยากจะให้เอากลับมายังอยากจะอยู่กับเขาอยู่แต่อยู่ไปนานๆก็รู้ว่าเป็ น, ปนไปไม่ได้ก็เลยทำใจกันทำใจว่าเขาไปแล้วเราก็ต้องอยู่ของเราไปความทุกข์ก็หายไปเรื่องอริยาาสัจสีทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกับอริยาาสัจสีความไม่สบายใจของเราทุกอย่างนี้เกิดจากรมันเป็นอริยสัจสี่นั่น อยากจะกินเหล้าแล้ไม่มีเหล้ากินแล้วทุกไหม ی? ทุกพออะไรพ่ออยากกินเหล้าเนี้ยพราะเห็นแล้วพ่อ พ, อ, พอคิดว่าเหล้ามันเป็นนิจจังนะมั น, นสุขขังเนี่ยแต่ความจริงมันเป็นนิจจังสุขขังแล้วเป็นอนิจจังทุกขงั Taiwan, Finanz, กขงพอไม่มีเหล้ากินมันก็เป็นอนิจจังละเหล้าหมดเนยพอเหล้าหมดทุกข์ขังก็ตามมาถ้าเราเห็นก่อนเราก็อย่าไปกินมันอย่าไปติดมันมันก็จะไม่ทุกข์อย่าไปอยากกินเหล้ามันก็จะไม่ทุกข์ พราะความอยากกินเหล้าแตได้เห็นว่าเหล้ามันเป็นอนิจจังทุกขังก็อย่าไปกินมันพอไม่ไปกินมันไม่อยากไปอยากมันมันก็มันก็ไม่มีความทุกข์เวลาไม่มีเหล้ากินคนที่ไม่ติดละคนที่ไม่กินเหล้าทุกข์ไม่เวลาไม่มีเหล้ากินไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะเขาไม่มีความอยากกินเหล้ามีการิยัสสติเข้าใจไหมคําถามจากคุณบดินค่ะตอนนั่งถ้าสงบ ต้องไม่ทราบถึงอาการของร่างกายใช่ไหมครับได้ทั้งสองอย่างเวลาสงบในบางทีเจ็บยังรับรู้เรื่องของร่างกายได้อยู่ความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ยังรับรู้แต่ใจไม่สะทกสะท้านใจจะไม่ลาคาญใจไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปใจนิ่งแล้วใจเป็นอุบเบกขามันจะเฉยต่อความเจ็บจะเฉยต่อเสียงกึกระทึกครึกโครมอะต่างๆที่เรายังอาจจะได้ยินอยู่ แต่มันกลับสบายใจเหมือนกับเป็นเสียงเสียงคลิปเสียงอะไรไปแต่ถ้าเวลาจิตไม่สงบนี่มันจะอึดอัดจะต่างกันตรงนั้นแต่ถ้าลงทีนลงไปลึกๆ ก, ก็หายไปเลยร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตตัวเดียวเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวคําถามจากคุณศิริศักดิ์ค่ะกราบพระอาจารย์ช่วยกับนุณาอธิบายเพิ่มเติม ทำไมทําบาปด้วยความกลัวแล้วชาติหน้าจะเกิดเป็นอสูรกายครับ ก, ก็มันก็เป็นผลเหมือนกับปลูกมะม่วงแล้วปลูกมะม่วงแล้วมันจะได้นะจะได้กล้วยหรือเปล่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงสิทําบาปแล้วก็มันก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่ขี้กลัวไงดวงวิญญาณที่ขี้กลัวเขาเรียกว่าเป็นเชื่ออสุรกายท่นเองดวงวิญญาณที่ขี้โลกก็เรียกว่าเปรตนงพวกที่ทําบาปด้วยความโลภมันก็ติดนิสัยโลภไป กินเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเขาถึงเปรียบเทียบเปรตเหมือนกับตัวใหญ่ท้องใหญ่เท่าตุ่มแต่ปากเท่ารูเข็มเพราะเหมือนกับมันกินน้อยมันกินเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มททีแต่ความจริงมันกินเยอะแยะได้มาเยอะแยะแต่ท้องมันใหญ่เติมันก็ไปเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มททีนี่ก็ลักษณะของใจที่เป็นเปรตคือได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเพอราะโลภยังอยากได้เรื่อยๆ กระเป๋าถึงเต็มบ้านรองเท้าถึงเต็มบ้านเนี่ยแต่แต่ถ้าหามาโดยแต่ถ้าหามาโดยไม่ได้ทําบาปก็ไม่เป็นเปรตเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นแต่ถ้าไปขโมยเงินเข้าไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นเป็นเปรตเพราะมันจะติดนิสัยเดี๋ยวเห็นกระเป๋าอยากได้ก็ไปขโมยเงินมาซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เป็นเปรตนั้นคำว่าอสุรกายมันเพียงแต่ชื่อที่แสดงถึงบ่งถึงสภาพจิตของจิตดวงนั้นว่าเป็นจิตที่ทําบาลด้วยความกลัว กลัวไปหมดเห็นอะไรก็กลัวไปหมดกลัวนุ่นกลัวนี่กลัวหมดกลัวแรงกลัวอะไรกลัวไปหมดเนี่ยก็ไม่เจ็บและไม่มีความสุขเนี <c oughs> ่ยไอ้โลค ก, ก็เหมือนกันโลคอ ต, ตลอดเวลามันก็ไม่มีความสุขเนี่ยหรือโอกรธเกลียดตลอดเวลามันก็ไม่มีความสุขเนี่ยเวลาโกรธใครเกลียดใครเครียดแค้นนาคาตพยาบาทจองเวรจองกรรมนี่ใจมันร้อนนั่นแหละนรกก็เรียกว่านรกมันเป็น คำชื่อเหล an, ek, ่านี้มันเพียงแต่เป็นชื่อที่เราปะไว้จะได้พูดถึงว่าสภาพจิตแบบนี้ชื่ออะไรเรียกว่ายังไงสภาพจิตที่ร้อนด้วยความโลภโกรธเกลียดหลงนี้เรียกว่าเป็นนรกสภาพจิตที่ร้อนหรือทุกข์ด้วยความกลัวเรียกว่าอสุรกายสภาพจิตที่ทุกข์ด้วยความหิวด้วยความโลภก็เรียกว่าเปรตสภาพจิตที่ร้อนเพราะความหลงก็เรียกว่าเดชะนั้นแคเท่านั้นแหละ คำถามจากคุณนิ่มค่ะหนูมีอาการเจ็บตามานานแล้วผ่าตัดมาก็ไม่ดีขึ้นเวลานั่งสมาธิช่วงแรกจะดูลมหายใจได้แป๊บเดียวก็วกมาที่ตาที่เจ็บหนูถามว่าหนูกำหนดที่อาการเจ็บตาเลยได้ไหมคะมเพราะมันมีอาการที่ชัดเจนมากหรือให้พยายามกำหนดลมหายใจต่อไปโดยฝืนที่จะไม่สนใจอาการเจ็บตาคะเกิดใช้พุโทโธจะดีกว่า ใช้บริกรรมพุโทโธแล้วสวดอิติปิโสไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของอาการเจ็บตาหรอกมันเรื่องของสติของเรามีกำลังไม่ว่ามันยังอยู่ดูลมไม่ได้เพราะว่าความเจ็บมันมีความรุนแรงกว่ามันเลยดึงความสนใจให้ใจเราไปดูที่ความเจ็บดังนั้นเราก็ใช้พุโทโธแทนใช้บริกรรมพุโทโธไปใช้สวดมนต์ไปก่อนดึงให้มีสติให้มีกาลังมากขึ้นก่อน พอมีกำลังมากแล้วก็ดูลมต่อไปได้อย่าไปดูความเจ็บเพราะความเจ็บมันเนื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <c oughs> แล้วไม่ใช่อย่างดูความเจ็บแล้วมันจะเกิดความอยากให้หายเจ็บเดี๋ยวมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งเครียดใหญ่งั<อ>้น <c oughs> อย่าต่อไปคาถามจากคุณประดินค่ะตอนนี้พยายามฝึกนั่งสมาธิอยากขอคำแนะนาพระอาจารย์ค่ะ ก็พยายามนั่งเยอะๆนั่งบ่อยๆนั่งทั้งวันทั้งคืนถ้าทําได้คําถามจ้าคุณกิติยาค่ะบุญกับบารามีต่างกันยังไงคะเกิการทําบุญไปเรื่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมาเพราะเป็นนิสัยมันก็เป็นบาลมีขึ้นมาเป็นนิสัยเป็นสันดานเพราะมันจะทําเป็นนิสัยมันจะติดมันจะทําอยู่เรื่อยๆคนที่ทําทานครั้งสองครั้งนี่ยังไม่เรียกว่าบารามี แต่คนที่ทำทุกวันทุกวันใส่บาตรทุกวันทุกวันมันก็จะเป็นบารมีขึ้นมาเพราะมันจะฝังเป็นนิสัยอยู่ที่ไหนก็อยากจะใส่บาตรอยากจะทำบุญถ้าทำอะไรแล้วมันติดเป็นนิสัยขึ้นมาก็มันก็จะเป็นบารมีถ้าทำบาทมันก็จะกลายเป็นกรรมไปเราก็เรียกว่ากรรมพอทำอะไรมันก็จะติดชอบถ้าชอบขโมยมันก็จะขโมยไปเรื่อยๆแล้วก็เรียกว่าเป็นกรรมไปเป็นบาป เ ป, เป็นนิสัยทางที่ไม่ดีดกับมาได้ไงค า, า <c oughs> ถามจากคุณมิ้นค่ะอยากทราบว่าเวลาใส่บาตรต้องพูดอะไรไหม่คะไม่ต้องพูดอะไรหรอกใส่ไปเถอดคาถามจากคุณป้อมค่ะมีวัดหนึ่งสอนให้คนทำบุญให้มากจนกระทั่งบางครอบครัวเกิดความลำบาก อย่างนี้จะได้บุญมากหรือไม่เจ้าคะ <c oughs> ถ้าทําด้วยศรัทธาจริงๆก็ได้บางคนยอมยอมยากจนชาตินี้เพื่อจะได้รวยชาติหน้าเ <c oughs> พื่อจะได้ไปสวรรค์เวลาตายไปอย่างพระเวชสันดรท่านก็ยอมยากจน <c oughs> แล้วพอท่านตายไปท่านก็กลายไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารวยชาติหน้าก็เป็นการเหมือนกับเราลงทุนเนี่ย เรามีเงินมีทางแล้วก็ไปลงทุนอย่างคนที่มาเศรษฐีปัจจุบันนี้ก่อนที่เขาจะเป็นมหาเศรษฐีตอนที่เขามาจากเมืองจีนเขาก็มีหมอนมาใบเสื่อมาใบแล้วเขก็มาค้าขายค้าขายเขาก็ไม่เอาเงินไปเที่ยวเงินเท่าไหร่เขาก็มีเก็บไว้เอามาขยายบริษัทขยายกิจการขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวนี้วันนี้มีบริษัทเป็นเป็นพันเป็นหมื่นสาขาแล้วก็รวยก็เหมือนกันเท่ายอมทุกยากลําบาก ในปัจจุบันเพื่อให้เขาได้สุขสบายในอนาคตคนที่เขาทับยอมทาบุญด้วยศรัทธานะแล้วเขาแล้วเขายอมยากจนนะแต่เวลาเขาตายไปเนะี่ยเขาจะไปสวรรค์แล้วเวลาเขากลับมาชาติหน้าเขาก็จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีต่อไปแบบพระพุทธเจ้าเหล่านะี้คำถามจากคุณต้นคุณค่ะกำลังของศิลแปด จะทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องศีล2 2 7ข้อถึงเข้าถึงพระนิพพานได้ครับอ๋อได้ศีลแปก็ได้เหมือนกันคือศีลของพระนอกจากเป็นศีลแปดแล้วมันมีข้อเขาเรียกอะไระมารยาทมากกว่าศีล227นี่ไม่ได้เป็นศีลทั้งหมดนะเป็นแบบกฎระเบียบ เวลาพระฉี่ให้ให้นั่งฉี่ไม่ให้ยืนฉี่ เ, เวลากินอาหารไม่ให้ยืนกินให้นั่งกินคือให้ดูสวยงามเรียบร้อยเวลาใช้ของของสงฆ์ใช้แล้วก็นอไปคืนที่เขาใช้ไปหยิบค้อนมาใช้เสร็จแล้วก็นอไปเก็บไว้ที่เดิมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องกฎระเบียบ ส, ส่วนใหญ่ที่เป็นศีล ต, ต่างๆที่227ข้อน่ะแต่ที่ศีลจริงๆมีแค่สข้อใหญ่ๆฮะคือ ห, หนึ่งไม่ให้ฆ่ามนุษย์ สไม่ให้ลักทรัพย์สามไม่ให้ร่วมหลับนอนเสพเสพกรามกับผู้อื่นราศีไม่ให้อวดคุณวิเศษที่ไม่มีตัวเองคือโกหกแค่นี้แหละเป็นศีลของพระจริงๆนอกนั้นก็จะเป็นกฎระเบียบเพื่อให้ให้พระดูแล้วสวยงามทําอะไรแล้วดูแล้วสวยงามเท่านั้นเองก็มีศีลกาอื่นไม่ให้ดื่มสุราไม่ให้ไปเที่ยวกลางคืนอะไรพวกนี้ก็มันอยู่ในศีลแปด เพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลแปดนี่ก็สามารถที่จะที่จะไปนิพพานได้แล้วคำถามจากคุณสิริค่ะหากว่าเป็นเมียน้อยและเมียหลวงเป็นทุรัตจัดให้จะเป็นหมาไหมคะ <c oughs> <laughs> อันนี้ไม่รู้มันอยู่ที่ผัวมากกว่าผัวยังโลภอยู่ผัวยังทำตัวเป็นเหมือนหมาอยู่ไม่ไม่ัก รักเดียวใจเดียวยังมีกิเลสมีตันหาความโลภมากอยู่ยังอยู่แบบหมาอยู่แล้วเมียเมียน้อยก็จะเป็นเหมือนหมาด้วยเพราะว่าไปแย่งเมียของคนอื่นไปแย่งผัวของคนอื่นเขาถึงแม้ว่าจะยินยอมกันมันก็ยังมันก็ยังเป็นนิสัยของเดรัจฉานอยู่ถ้าเป็นนิสัยของมนุษยก็เมียเดียวผัวเดียวก็พอเอาทีละคนอย่า ก, กันก่อนถ้าอยากจะได้คนใหม่ก็อย่า ก, กันก่อน จะได้ไม่มีปัญหาเพราะมันมีหลายคนนั่นมันเรื่องมากบ้านน้อยบ้านใหญ่เด็วก็ตีกันคํถาถามจากคุณบีบีค่ะถ้าเชื่อว่ายึดติดเอานิพพานมัดผลไม่ได้ผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอก็ อ, อไม่ถูกหรอกต้องเชื่อว่าได้สิเพราะว่ามันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปได้เหมือนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจบป ร, ริญญาตรีได้ ขอให้ไปเรียนหนังสือเท่านั้นนะมันก็ไปได้แต่ถ้าไปคิดว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะจบปริญญาตีมันก็มันก็ไม่ไปนะมันไม่ไปมันก็ตัดตัดทางของตัวเองโดยใช่เหตุงั้นทุกคนต้องคิดว่าไปได้เพียงแต่ว่าจะไปได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าเหมือนกับการเดินทางถ้าเดินไปไม่หยุดเนี่ยมันต้องไปถึงจุดหมายปลายทางนี่จะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่ความสามารถบางคนเดินไปก็ช้าหน่อยบางคนขี่จั ก, กรยานก็เร็วหน่อย บางคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยิงเร็วใหญ่บางคนนั่งรถเก๋งไปมันก็มันก็ไปได้ขอให้เรามีความเชื่อว่าเราไปได้แล้วเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไปถึงเองคำถามจากคุณนิสากรค่ะเวลานั่งทำงานพอรู้สึกตัวจะ ก, กำหนดลมหายใจแต่ได้สักคู่ก็หายไปได้แค่แป๊บเดียวค่ะ พอรู้สึกตัวก็จะท่องพุโทโธต่อแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมเจ้าคะเวลาทํางานเราไม่อยู่กับงานเนอะเวลาทํางานมันก็ต้องอยู่กับงานเนะียถ้าไปอยู่กับลมเดี๋ยวก็บวกลบคูณหารผิดน ะ, ะเวลาทํางานก็ให้อยู่กับงานที่เราทํากําลังทํากับข้าวก็ให้อยู่กับกับข้าวใส่น้ำปลาหรือยังใส่น้ําตาลหรือยังไม่ใช่มัวแต่ดูลมไปนะเวลาทํางานก็ต้องให้มีสติอยู่กับงาน เวลาไม่ได้ทํางานแล้วค่อยมามีสติอยู่กับพุทธโธแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วแต่ว่ามันจะอันไหนสะดวกกว่าดูลมนี่จะสะดวกที่สุดก็ตือตอนที่เรานั่งเฉยๆไม่ทําอะไรถ้าเราทําอะไรก็อยู่กับงานที่เราทำถ้างานที่เราทําไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่เช่นเดินไปเดินมาก็ใช้พุทธโธก็ได้คําถามจากคุณวงกฏค่ะเราขายอาวุธที่ใช้ฆ่าคน แต่คุณซื้อไม่ได้เอาไปทาร้ายใครแบบนี้จะบาปไหมครับเราจะไปรู้ได้ไงเพราะว่ามันถ้าเป็นอาวุธแล้ววันดีคืนดีมันก็ต้องเอาไปใช้ได้ตอนต้นอาจจะไม่มีเจตนาจะไปใช้เดี๋ยวเกิดโมโหใครขึ้นมาใกลมาหยามน้ำใจขึ้นมาเดี๋ยวก็คว้าปืนคว้ามีดไปฆ่าเขาได้เหมือนกันคำถามจากคุณคูนค่ะ คนที่ฆ่าตัวตายแบบไหมคะเพราะเขาไม่ได้เบียเดเบียนใครคะ <c oughs> ่ะก็เบียเดเบียนตัวเองไงเบียเดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองก็บาปเพราะมันจะติดเ ป, ป็นนิสัยไปไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวกลับมาเกิดชาติหน้าพอเจอปัญหาก็ฆ่าตัวตายแบบคาถามจากคุณโจ้ค่ะการที่ญาติพี่น้องเราทำให้เราทุกข์ใจ อ, อย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถูกต้องไหมคะให้ธอปล่ ความทุกข์ใจของเราเกิดจากกิเลส ข, ของเราไม่ได้เกิดจากการเป็นญาติกับเขาไปอยู่กับใครที่ไหนก็ยังทุกข์ใจได้อยู่เหมือนกันอยู่ที่ความอยากของเรานะพออยากให้ก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอก็ไม่ทําเราก็ทุกข์แล้ว ني, ม, มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นเผ่าพันธุ์คําถามจากคุณพีโกนค่ะถ้าอย่างช้าเจ็ดปีสําเร็จพระอาหารหันต์คำถามเจ็ดปีเริ่มนับจากตรงไหนครับ แล้วั่งแต่จเจริญสติวันแรกเนี่ยฝึกสติควบคุมใจให้มีสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมสลับกันไปจนได้สมาธิพอได้สมาธิก็พิจารณาตายรักพิจารณาอริยสัจสีในร่างกายในเวทนาในจิตเนี่ยแล้วก็จะได้ถึงนิพพานคำถามจากคุณชนะตนค่ะ การวัดกำลังใจเรื่องการพร้อมที่จะตายตลอดเวลาคือข้อหนึ่งเราคิดบ่อยๆว่าถ้าเราตายตอนนี้ห่วงอะไรไหมมันไม่ห่วงจิตเฉยๆถือว่าใช้ได้ไหมคะต้องฝึกอะไรเพิ่มไหมคะก็ลองทดสอบดูลองให้เอายกเงินให้คนอื่นเข้าไปให้หมดดูก่อนเนี่ยยังไม่ต้องตายหรอกเพียงแต่ว่าไม่มีเงินหรือจะจะเดือดร้อนไหมพระพุทธเจ้บอกให้สละทรัพย์ก่อนค่มาสละชีวิตเนี่ ถ้าเราสละทรัพย์ไม่ได้เราจะมาสละชีวิตได้อย่างไรยันก็ลองลถ้าเราคิดว่าเราพร้อมจะตายเราก็ลองสละทรัพย์ไปก่อนแล้วก็ไปบวชอยู่แบบนักบวชอยู่แบบไม่ต้องใช้ทรัพย์ออรู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าทําได้ก็ยังไม่แน่ว่ายังพร้อมที่จะตายหรือเปล่าพอบวชแล้วที่นี้ก็ต้องไปอยู่ป่าชาละไปอยู่กับสิงกับเสือละไปอยู่กับงูไปอยู่กับสัตว์ตายละยดูว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า ถ้าเป็นมะเร็จะทุกไหมแฟนบอกว่าจะแช่งตัวเองทําไมเขาบอกว่าใจคนเรามีพลังคิดบ่อยๆเดี๋ยวเป็นจริงเราคิดบ่อยๆเหมือนแช่งตัวเองเหรอคะคนเลยไม่กล้าคิดกันค่ะไม่จริงหรอกยังก็คิดให้รวยบ่อยๆสิได้ไหม <c oughs> คิดให้รวยบ่อยๆมันจะได้รวยคิดให้เป็นนายกบ่อยๆและะ้วยังเป็นนายกอบ้าใช่ไหม จะคุณจิตตากรค่ะพระอาจารย์ได้ปฏิบัติหลังจากที่พระอาจารย์ได้บวชแล้วกี่ปีครับพระอาจารย์ถึงได้ทําขั้นสูงรู้แจ้งเห็นจริงมาสอนครับ เ, ออเราไม่พูดเรื่องเราดีกว่าเดี๋ยวกลายเป็นเป้าให้โดใ็ให้เขาา <c oughs> ้าได้อย่าอย่าเรามาเป็นเป้าเลยคอยเราเป็นคนสอนก็พอไม่อยากจะเป็นเป้าเียคําถามจากคุณกัญยพรค่ะ เมื่อสักครู่โยมนอนฟังเทศเสียงเทศเข้าหูไปเรื่อยๆแล้วฝันเห็นท่านนั่งเทศอยู่ฟังได้สักครู่ก็รู้สึกว่าฝันไปอย่างนี้เรียกว่าเข้าผวางหรือหลับคะหลับหลับครึ่งหลับครึ่งเตยไหมผสมกันเสียงเทศก็ยังอยู่แต่ใจสติไม่มีใจมันก็ฝันแล้วเอาเสียงเทศนี่มาปรุงแต่งไปกลายเป็นความฝันขึ้นมาคาถามจากคุณซค่ะ โยมเข้าใจคําว่าพระอาหารหันต์แต่ไม่ค่อยเข้าใจคําว่าสกิทาคามีอานาคามีพระโสดาบันค่ะคนธรรมดาสามารถเป็นได้หรือไม่คะมันเป็นขั้นที่จะต้องผ่านไปก่อนจะถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้นั้นต้องผ่านขั้นก่อภัยนะพอดีมันจะเป็นตะคิวอะไร้อนั่งแบบนี้มันมันต้องผ่านขั้นที่หนึ่งเหมือนปริญญาเตยต้องจบปริญญาเตย์ก่อนถึงจะไปเรียนโทได้ โซดาบันต้องละสังโยชน์สาข้อแรกให้ได้ก่อนพอละได้แล้วก็ถึงจะไปละสังโยชน์อีกสองข้อถ้าทําได้ให้เบาบางก็ได้ได้เป็นสภะสกิดาคามีสังโยชน์ข้อข้อที่4ี่ข้อที่ห้าไม่ต้องไม่ต้องทําทําลายมันหมดเพียงแต่ตัดมันให้เหลือน้อยหนูถ้าเป็นต้นไม้ก็ตัดกิ่งตัดก้านตัดอะไรไปแต่ยังไม่ได้ตัดต้น ถ้าขั้นที่สามพระอนาคามีก็จะตัดต้นถอนรากถอนโคนของสังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าแล้วก็ยังมีสังโยชน์อีกห้าข้อถ้าละสังโยชน์อีกห้าข้อได้ก็จะได้ไปเป็นพระอรหันต์ต่อไปเปือนเหมือนกับการทำข้อสอบเนี่ยตอนต้นต้องสอบผ่านสามข้อแรกก่อนพอผ่านสามข้อแรกก็ไปทำอีกสองข้อทําได้ครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าผ่านขั้นขั้นที่สอง พอทันได้ทำได้เต็มที่ก็ผ่านขั้นที่สามแล้วก็ต้องไปทำสังโยชน์ข้อสอบเป็นห้าข้อพอทำข้อสอบห้าข้อสุดท้ายได้ครบสิบข้อก็ได้เป็นพระอรหันต์เทานั้นเองในการในการละละกิเลสอ้ ย, อยเหนื่อยพูดไปคำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะพระโสดาบานันท่านปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ ก็เนืละสังโยช์สามข้อก้อที่หนึ่งก็สักกายาทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความเจ็บความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินน้ำเป็นเหมือนฝนฟ้ า, าอากาศมันเกิดแล้วก็ดับมันมาแล้วก็ไปเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ ร่างกายมันเกิดแล้วม hmm, no. ันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์เราก็จะติดเราก็ยังไปหลงว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ปล่อยมันปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็จะละละสัยาทิฐิได้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่ตัวเราของเราพละได้มันก็จะหายทุกข์มันก็จะเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากอและการดับทุกข์ก็ดับด้วยการละความอยากคือเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอก็จะละข้อที่สองได้ละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พระธรรมก็คืออริยสัจสี่ ผู้ที่แสดงธรรมก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงแล้วก็จะละข้อที่สามได้ศีลรับพรตปลามาตรคือทําพิ ธ, ธีกรรมต่างๆเพื่อดับทุกข์เนี่ยเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปหาหมอดูกันหมอดูก็บอกไปปล่อยนกไปปล่อยปลาไปทํานู่นทนํานี่แล้วก็จะหายทุกข์มันความจริงทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราไม่ยอมรับความจริง เช่นแฟนทิ้งก็ทุกข์เลยไปหาหมอดูหมอก็เลยบอกว่าไปไปถวายสังฆทานอไปปล่อยนอกปล่อยปลาเดี๋ยวก็จะได้แฟนใหม่ก็ไม่ใช่กันวิธีเดี๋ยวได้แฟนใหม่มาเดี๋ยวแฟนใหม่ทิ้งหรือจากไปอีกก็ทุกข์อีกต้องดับทุกข์ด้วยการความอยากไม่มีแฟนอยากไปอยากมีแฟนพอไม่อยากพอไม่มีความอยากมีแฟนแฟนจะอยู่แฟนจะไปก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ ก็ไม่ต้องไปทำพิธีต่างๆไปทาพิธีสระเคราะห์ศีลพัต์ก็คือการไม่รู้อริยสัจสีนี่ยไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราพอเราละความอยากได้เราก็ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆคำถามจากคุณโก้ค่ะอย่าทิ้งผู้รู้หมายถึงอย่าทิ้งลมหายใจให้อยู่กับลมหายใจ เป็นอาณาปานสติใช่ไหมคะไม่รู้ใครพูดเราไม่รู้พี่เกียรตไม่ตอบก็ไม่ทิ้งผู้รู้มันผู้รู้มันทิ้งไม่ได้อยู่แล้วให้ทิ้งอย่าให้ทิ้งสตินสติคือการเราเลืกรู้แต่ผู้รู้นี่มันรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันรู้แบบไม่มีสติรู้แบบรู้แบบลอยไปลอยมารู้เรื่องรู้เรื่องนี้รู้เรื่องกระเป๋ารู้เรื่องรองเท้ารู้เรื่องอย่าไปรู้ ให้มารู้เรื่องพุโทโธพุโทโธรู้เรื่องร่างกายเราเรียกวมีสติมีเสียงร้องรบกวนหลังอย่าไปกินของที่มีรมมาก <c oughs> กินนมของมันก็ขึ้นมาได้ส <c oughs> ังเกตดูว่าเรากินอะไรแล้วทำให้ท้องมันร้อง <c oughs> กินนมบางคนกินนมแล้วท้องก็ร้อง <c oughs> ก็อย่าไปกินมันถ้าไม่อยากให้มันร้อง ถ้าไม่สนใจก็ปล่อยมันล้องไปไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่ได้ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยอันเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจจิตใจเราเวลานั่งสมาธิเราต้องการจะปล่อยวางร่างกายเราจึงไม่ควรให้ความสำคัญกับร่างกายให้สำคัญกับการเฝ้าดูลมหรือพุโทโธไปเพื่อใจเราจะได้แยกออกจากร่างกายได้คำถามจากคุณปฏิรูปจิตค่ะ ศาสนาพุทธมีผู้สอนบอกกล่าวเพียงผู้เดียวคือพระพุทธเจ้าแต่ทำไมถึงได้มีความแตกต่างกันครับไม่ต่างหรอกพระพุทธเจ้าสอนแล้วพระอาหารหันตสาวกทุกลูกท่านก็สอนเหมือนกันแต่พวกที่ไม่เป็นอรหันต์เนี่ยต่างกันเพราะว่าตัวเองยังไม่รู้แล้วก็อุดทะเละอยากจะเป็นอาจารย์กับเขาก็เลยไปสอนมันก็เลยต่างกันแต่ถ้าพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์นี่ท่านสอนเหมือนกันทุกลูก คำถามจากคุณพาคินค่ะฟังพระอาจารย์ทุกวันแล้วสงบนั่งฟังทั้งวันก็ได้อย่างนี้เรียกสมาธิได้หรือเปล่าครับก็ได้สมาธิระดับหนึ่งแต่ย<ๆ>ังไม่ไ <ole> ด <ong> ้ระดับที<ๆ>่เป็นอัปปนาสมาธิอันนี้ต้องนั่งเพ่งลมหายใจหรือพุทโธอย่างเดียวนั่งฟังเทศฟังธรรมมันทําให้เราไม่ต้องไปวิตกกังวลกับเรื่องแฟนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสงครามเรื่องอะไรต่างๆ มันก็ทำให้ใจเราสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่อาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่ได้เต็มร้อยอยากจะได้เต็มร้อยนี่ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมไปอย่างเดียวไม่ต้องฟังเทศปิดเทศคำถามจะคุณชนะตนค่ะวันไหนไม่ได้ทำบุญก็เลี้ยงข้าวลูกน้องหรือซื้อของให้เราปภถือว่าทำทานเป็นนิสัยได้ใช่ไหมคะได้ยัง คำถามจากคุณสิริวัตรค่ะพระโพธิสัตว์ที่กําลังสะสมบารมีอยู่สามารถบรรลุทำเป็นพระอริยขั้นต้นได้ไหมครับถ้ามีพระพุทธศาสนาสอนก็ได้ถ้าไม่มีก็ต้องก็ต้องต้อตรอบําเพ็ญเองเป็นจนวกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้สี่ขั้นพร้อมเหมือนกันคําถามจากคุณดวนค่ะ คนหลายคนที่ไม่เชื่อในหลักของศาสนาพุทธมีเหตุจากอะไรได้บ้างครับก็เหมือนกับเราไม่เชื่อศาสนาอื่นเพราะเราไม่รู้เราก็เลยไม่เชื่อแต่ถ้าเราไปศึกษาเราต่อไปแล้วก็อาจจะเชื่อก็ได้เมื่อก่อนเราก็ไม่เชื่อว่าโลกมันกลมใช่ไหมทุกคนก็คิดว่าโลกมันแบนแล้วสมัยนี้เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าโลกมันกลมตอนนี้เราทุกคนก็เชื่อว่าโลกมันกมลมนะงั้นการเชื่อไม่เชื่อส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การศึกษา ศึกษาความจริงถ้าสิ่งที่เขาสอนเป็นความจริงเราก็ต้องเชื่อรับปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าสิ่งที่เขาสอนไม่เป็นความจริงหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีคําถามจากคุณจันค่ะหากเราชอบอุปถัมภ์สุนัขและแมวที่ตกทุกข์ได้ยากบางตัวถูกปล่อยทิ้งบางตัวไร้บ้านมาอยู่รวมในปริมาณมากบางครั้งเกินกําลังของเราหากมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีค่าใช้จ่าย ที่ต้องไปเบียดเรียนเงินของสามีเวลามีปัญหาเรื่องเงินสามีชอบยกเรื่องที่เราอุปถัมภ์สุนัขและแมวเยอะเกินไปทุกครั้งอย่างนี้ถือว่าเราบาปมากไหมคะที่ทำให้คนที่อยู่ด้วยเดือดร้อนค่ะมันก็มันก็เกินกำลังก็ไม่ควรทำต้องทำให้มันทุกคนมีความสุขสุนัขเราก็เลี้ยงให้เขามีความสุขแฟนเราก็ต้องเลี้ยงให้เขามีความสุขไม่ใช่ไปรักสุนัขมากกว่ารักแฟน แฟนเขาก็น้อยใจเอาเลยคาถามจากคุณทัศนีค่ะถ้าบาลูขั้นพระโสดาบันแล้วยังมีความอยากกินอยากเที่ยวอยู่หรือเปล่าคะ อ, อ๋อยังมีอยู่พระโสดาบันยังไม่ได้ล ะ, ะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดอยู่ยังอยากมีแฟนยังอยากนอนแฟนยังอยากดูหนังฟังเพลงอยู่คาถามหมดค่ะ <c oughs> <c oughs> ละเออดีใกลยเวลาพอดีวันนี้ไม่ได้มีเวลานะทําโยคะกันเลยมันขาเลยตะคิวกินพอดีีวันนี้มีญาติโยมที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันสมัยที่เรียนอยู่ที่กรุงเทพวันจบแล้วก็แยกยาก้ยาย ก, กันมาเรียนต่อเขาไปอยู่เมืองนอกเมืองนานเขากลับมาเยี่ยมเพื่อนอะไรพามาหาก็เลยต้องให้เขาพบตอนช่วงก่อนจะลงมา ก็เลยไม่มีเวลาธรรมดาก่อนจะลงมานี่เราจะทำโยคะยืดเส้นยืดสายตอนนี้ไม่ได้ยืดเส้นมันก็เลยเริ่มแสดงอาการเก่งขึ้นมาก็เลยทให้ต้องนั่งไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ว่าจะนั่งยังไงก็ได้แต่เนเรื่องของสังขารบางทีมันช่วยไม่ได้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา